ตอนนี้พระองค์เนี่ย ท, ทิ้งขันอย่างเราเมื่อวานเห็นพระบรมสารีริกธาตุแปลเป็นไทยว่าเห็นกระดูกเนี่ยนะกระดูกเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่ทําปริญญาไม่ทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยปวดอะไรปรวดที่สุดในโลกปวดกระดูกเชื่อไหมถ้าเราทั้งหลายผู้ยังมีกระดูกอยู่นะพ้นหรือยังยังอันนี้เป็นขันธมารเนี่ยนะไม่เชื่อจะให้จารเกตเล่าให้ฟังว่าความปวดกระดูกเป็นยังไงมีผู้ที่มีประสบะการณ์เกี่ยวกับโรคกระดูกให้จารสันติ ก, ก็ได้เนี่ยนะพวกเอวหนาะนะนะทั้งหลายเนี่ยกลุ่มนั้นแหละ ที่หนาก็เพราะอะไรหาอะไรมาฆาดใช่ไหมมันก่อนเห็นยมนงเอาอะไรมาคาดก็บอกบิดแล้วบิดแล้วบิดแล้วบิดเล่วนะแสดงว่านั่นแหละเจอพญามารกัดเอาแล้วอันนี้เป็นขันธมารขันธมานี่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เนอไปด้วยกันเนี่ยนะไปก็ไปด้วยกันมามาด้วยกันนั่งด้วยกันนอนด้วยกันเดินด้วยกันยืนด้วยกันโอ้แสดงว่าเราเลี้ยงมารเนี่ยนะใช่ไหมสาธุขอให้รู้อย่างนั้นจริงๆรเด้เพราะว่า ข้อคำว่ามารอ่ะฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่ามารมานเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหรเนอแล้ชื่อว่ามารอะไรคือมารขันห้ามานนี่ก็คือผู้ฆ่าหรือ ผ, ผู้ผู้ผู้ตายเนี่ยนะมันฆ่าได้มันตายได้อะ น, นั้นเป็นชื่อของขันขันเนี่ยแก่ได้ตายได้ถูกฆ่าได้นี่เป็นขันธมารพระองค์ก็ชนะมารเหล่านี้แล้วเพราะพระองค์พ้นแล้วจากความเกิดที่เป็นเหตุให้มีขันห้าสร้างขึ้นเนี่ย ท่า น, นพระองค์นี้ดับขันห้าโดยประการทั้งปวงพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ชนะมาร น, น่ย น, นะชนะมารแล้วอะไรมารกิเลสมารว่าไปแล้วมัจจุมาใช่ไหมเมื่อไม่มีขันธมารแล้วมัจจุมาจะมีมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ถือว่ามีศรีระสุดท้ายจึงไม่มีมัจจุมารอีกต่อไปแล้วนะั้นการจุติครั้งนั้นนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ดีใจมากเลยนะตอนที่ปลงพระพะยุทธพราณ์ โรองพระชนมายุสังขารเนี่ยดีใจมากเลยที่เรียกว่าปรงปรงมัจจุมาณ น, น่นะเพราะถือว่าการจุติครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการรับกองทุกอันใหม่รับมหาภาระอันใหม่เลยส่วนมานอีกตัวหนึ่งคือเทวปุตตมานเทวปุตตมา น, นี้ก็โปร่งชนะตั้งแต่ไหนชนะตั้งแต่ที่อาปราชิตตบาลังแล้วนะพระพุทองค์เนี่ยนั่งที่อาปราชิตบาลังเนี่ยทำลายเทวปุตตมานก่อน อย่างที่สองก็ทาํลาทลายกิเลสมานเมื่อทําลายกิเลสมานอภิสังขารมานก็เป็นอันทําลายท่าเซนสรีระของพระ อ, องค์ก็ยังเหลือขันธมารกับมัจจุมานเมื่อพระ อ, องค์ดับขันปรินิพานไปแล้วนี่จึงชนะมานโดยตะการทั้งปวงอนันนะมานไม่ลากมาใช้งานอีกนี่นะถ้าเรายังมีพยามานอยู่นะเนี่ยแผ่นดินในเนี่ยเราเนี่ยพร้อมที่จะมาพลิกแผ่นดินเหล่านี้ทั้งหมดอะ่ะ ถ้าพยามารเขาฉุดเรามานะมาเป็นข้าทาสกรมกรมเนี่ยให้มาขุดเนี่ยเห็นไหมถนนเนี่ยเมื่อวันก่อนอ่ะนะวันก่อนที่เขาซ่อมถนนเนี่ยใช้อีเตอร์ขุดขุดขุ ด, ขดแล้วใช้มือกรอบเนี่ยแดดสามสี่สิบองศาเนี่ยจะเป็นยังไงนะนะโอ้โเราทั้งหลายใครไม่เคยบ้างใครไม่เคยทําแบบนั้นบ้างโอทําบุญอะไรมาโอทําบุญมากเป็นผู้มีบุญมากเลยนะขอมากอบสมือทลุนหมดแล้วอ๋อเคยในวัดต๋าเลยนะออือ เอางั้นเลยแหละอาชาตินี้ก่อนนะอ เ, เห็นเนเนี่ยแต่ว่ากอบมาไม่รู้กี่กอบแ ล, ล้วล่ะเนี่ยหลานก็เนี่ยพญามา์นะถ้ายังทําลายกิเลสมารไม่ได้ทําลายขัน อ, อาพิสังขารมารไม่ได้ก็ต้องมีขันธรรมานเมื่อมีขันธรรมานเนี่ยนะเนี่ยต้องมารับมหาภาระทั้งหลายมารับภาระแล้วถ้ามีบุญเก่ามาเยอะต้องมาดูแลมาขันธรรมานอื่นๆด้วยนี่จริตองคิดดูนะคุณหลานดูแลขันธรรมานเท่าไหร่อโอ้โหมหาภาระเลยนะ ดูแลขันธ so so ์ธมานเนี <S <s yeah. ่ยดูแลอีกคนหนึ่งมันไปผิดอีกคนหนึ่งเนี่ยดูแลขันหนึ่งไปผิดอีกขันหนึ่งบำรุงรูปมากผิดเวทนาบำรุงเวทนามากผิดสัญญาบำรุงสัญญามากผิดสังขารบำรุงสังขารมากผิดวิญญาณบำรุงนามมากผิดรูปอีกแล้วมันก็อย่างนี้แหละมันนี้เป็นอะไรมานขันธ์ธมานเนี่นะขันธ์ธรรมานเพราะฉะนั้นมีมานเมื่อมีขันอย่างเดียวจึงมีการเกิดจึงมีการแก่มีการตายมีมีการ อะไรทำกรรมใช่ไหมมีการสร้อยผลของกรรมมีการทำกรรมก็เพราะมีขันห้าขันห้าจึงเป็นที่ดูบุญดูบาปวันก่อนคุณไปทูลก็เล่าให้ฟังว่าเออขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาปจริงๆเลยนะคุณไปทูลตื่นมาเล่าให้ฟังเลยขันห้าเป็นที่ดูบุญดูบาปยังไงโดยอาชีพผมผมก็เป็นคนเป็นเภสัชกรอยู่ร้านยานนะครับผมก็จะเห็นผู้คนเจ็บป่วยแตกก่ก็ไม่มากแต่เขาก็จะเป็นอยู่ประจําอยู่เรื่อยๆแตละคนเนี่ยผมก็เห็นแล้ว มีโรคประจําจตัวกันเกืบทุกคนนิดนิดหน่นอยหน่อยต้องมีกินยาน่นกินยานี่เนี่ยเนี่ย ก, ก็ก็ดูได้เลยดูบุญดูบาปคนอย่างคนเนี่ยก็มีเรื่องเจ็บป่วยใช่ไหมฮะผมไปเห็นบุญเห็นบาปของเขาในแงน่นี้สัตสัตผมก็ดูอีกแถวหน้าบ้านผมก็ ม, มีพวกสุนัขพวกแมวอะไรมาก็เนี่ยโรคผิวหนังมั่งอะไรมัง่งเอเนี่ยเขาก็มีบาปของเขาได้รับผลมีบาปกรรมเข้ามา บุญดูบาปแบบคุณไพฑูรย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะคุณไพฑูรย์ไม่มีฤกษสิทธิ์นะในการพิจารณาแบบนี้นะเพราะว่าท่านเอาธรรมะมาพิจารณาเพราะฉะนั้นดูเถิดเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นที่ดูบุญดูบาปหมู่เราทั้งหลายก็เป็นที่ดูบุญดูบาปนะทุกคนเนี่ยเป็นที่ดูบุญดูบาบทั้งหมดเลยอนันตว่าบางครั้งอีกภาคหนึ่งก็เสวยผลบุญอีกภาคหนึ่งก็เสวยผลบาปเพราะมีขันห้าจึงเป็นที่ดูบุญและดูบาปเพราะว่าบุญบาปนี่เวลามันให้ผลมันให้ผลที่ ขันห้าเวลาทําบุญทําบาปก็ทําที่ขันห้าถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญทําบาปนะนะเป็นการละบาปแล้วก็ลอยบุญไ่เอาวอะไรก็ไม่เอาสักอย่างแล้วนะไม่เอาสังขารทุกชนิดแล้วทัมารเหล่านี้เนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้ชนะมารโดยเฉพาะถ้าชนะทั้งหมดนะในบรรดามารทุกชนิดเนี่ยถ้าชนะกิเลสมารได้อย่างเดียวนะถืออันจบกันเลยนะถ้าเราในบรรดาชนะมารหเนี่ยขอให้ชนะมารตัวเดียวเหอะ กิเลสมารนีถ้าชนะกิเลสมารได้เนี่ยกิเลสโดยสับแปลว่าความเศร้าหมองแห่งจิตเนี่ยนะเอ๊ะแสดงว่ามันคจิตที่เศร้าหมองเนี่ยมันเป็นมารชัดๆเลยนะเวลาที่อกุศลจิตเราเกิดเนี่ยโอ้โหมีพยามาเลยเจริญกรุณาให้ตัวเองได้เลยนะว่าตอนนี้มารกําลังบริโภคถูกมารบริโภคอยู่ฟัง น, นันนะนีถ้าหาว่าอากุศลจิตเราเกิดขึ้นเราการุณาตัวเองว่ายังไงบ้างให้ผู้การเล่าให้ฟังกันกุศลจิตเกิดเหรอครับกุศลจิตเกิดแล้วก็ ถูกมารมันพาไปอีกสีครับถูกถูกมารออกคําสั่งถูกมารออกคําสั่งให้ทําได้สารพัดเลยครับตั้งแต่มารสั่งให้พูดมารสั่งให้ลงไม้ลงมือก็ได้ครับก่อนอื่นมารสั่งให้คิดก่อนนะคิดให้คิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะพูดก็พูดมาจาที่ไม่ดีทั้งนั้นทําก็ทํำสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นกิเลสมานกินเลสมาน ทําให้เราทํากรรมได้กินเลสมาให้เราทําได้สารพัดละครับแล้วแต่ว่ากิเลสหรือว่ามารตัวเล็กมารตัวใหญ่หรือว่ามารประเภทไหนมารโลภะหรือมารโทสะหรือมารโมหานี่ทําได้หมดผมมาอีเดียเนี่ยผมมองเห็นมารชัดๆอยู่ตัวงท่านพระอาจารย์ครับนะฮะมารที่มันมารที่มันพาไปเนี่ยครับท่านดูนะครับเนี่ยพรามารมันพาเดินอยู่นั่นนะครับ มันมันพาเดินไปครับนี่มานมันพาเดินไปนะครับนั่นน่ะนี่ก็มานมันพาขี่จักรยานไปนะครับมานมันพาไปจริงๆครับมันมันแปลกว่าเห็นคนเดินเป็นเป็นฝูงฝูนะเหมือนเหมือนกับสัตว์นี่นะมันเหมือนกับถูกมานมันจูงไปลากคอไปเนี่ยนะมันเหมือนมันเหมือนบ่วงของมาันอ่ะมัดจูเทยยะเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าไอ้มานเนี่ยเอา เอาบ่วงมาคล้องแล้วก็ลากไปเป็นผูงๆนะก็รวมทั้งผมด้วยก็ถูกมารถูกมารากไปนะแต่แต่มาคนนี้ถูถูถูก่กากมานี่เพื่อเพื่อที่จะไปฆ่ามานะเ น, นี่ยคนเนี้ยมานเสียท่าผมละมานเสียท่าผมละผมชอบใจคำว่ามัดจุดเทยยาเนี่ยชอบจริงๆ นีมันบ่วงของมารเนี่ยนะมันเป็นบ่วงจริงๆเนีมันลากไปจริงๆนีมันมันลากอย่างไม่ปลาณีปลาใัยด้วยนะมันไม่ใช่ค่อยๆลากนะโอ้มันลากอย่างทานลุนด้วยนะลากอย่างรีบร้อนเนี่ยฮลากอย่างเหน็ดเหนื่อยนะดูที่น้ามารแต่น้ำลากไอ้มารลากวิ่งเลยตรงคนนี้แล้วมันลากไปโดยที่นี่ยไม่มีรองเท้าใส่เลยเนี่ยเนี่ยมารมันเนี่ยมันลากไปโดยไม่มีรองเท้าใส่โอ้มันแสนจะทรมานนะ มันทั้งนั้นเนี่ยมันถัดเนะ่ยนั้นถัดอยู่ที่ข้างถนนเราเห็นมันนะั่นน่ะนั่นนะ่ะมารากไปทั้งนั้นที่ไม่มีขามันยังลากไปเนะก้นแสบเลยนะ่ะมันลากไปนะั่นน่ะโอ้โหพูดถึงมานี่ทําไมถึงพระพุทิพากินทรงใช้สัพท์นีนะทรงใช้สัพ์นี้มาใช้เนี่ยซึ่งพยัญชนะอักขลาพยัญชนะพรนะองค์ตัดไว้เนี่ย เหมาะสมแล้วก็สมบูรณ์ที่จะทำให้เห็นสภาวะธรรมชัดเจนมากๆเลยเนี่เพราะว่าขึ้นชื่อว่ามาแล้วต้องลงท้ายด้วยตายนะครับเพราะมามันี่มาากศัพท์มันคือมรณะเนี่ยนะถ้าหากว่าสิ่งใดนะมันไปสู่จุดหมายปลายทางคือคือคื อ, คอตายหรือมรณะนนั่นเรียงมารหมดเลย อาจารย์บอกว่าเออเนี่ยเดินก็เดินไปตายพวกเราก็นั่งนั่งรอความตายนะยืนก็ยืนรอความตายเนี่ยนะครับเออเนี่ยนะครับมันเป็นมารจริงๆครับขันธมารมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยขี่จะกรย้ายก็ขี่ไปตายเนี่ยครับเนี่ยขามรอก็ไปตายเนี่ยขี่กลับมาทั้งนี้ก็ตายนะแต่ขี่ไปก็ตายเนั่งก็ตายเดี่ยว้ายก็ตายแม้แต่ไอ้มารมีเขานี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันเนี่ย มันไม่ว้นเลยเนี่ยนะนะไอ้ไอ้วัวไอ้ควายนี่ก็ถูกมารลากไปนี่ออืทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยลงท้ายผู้พูดก็ตายเนี่ยมันถูกมารลากไปเหมือนกันแล้วผู้พูดก็พูดพูดผู้พูดเมื่อกี้ก็ตายเนี่ยตายกันเสี่ยงเลยตายหมดตายหมดทั้งรถเนี่ยไม่เหลือเลยโอ้ไอ้มานี่มันไายกานนะ มันไม่เหลือไว้สักคนหนึ่งเลยนะอืมอไม่เว้นเลยแม้แต่คนเดียวในโลกนี้เพราะว่ามัจจุมาฯนี่ก็ฉุดพระพุทธเจ้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันเลวร้ายมากนะมันฉุดพระสารีบุตรไปก่อนตอนหลังก็ฉุดพระโมกข์โมกขลานาไปอีกตอนหลังก็ฉุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปอีกหลังจากนั้นก็ฉุดพระอา น, นุ์เป็นต้นท่านมาเนี่ยทําลายอย่างชนิดเรียกว่าราบคาบชิโนราบทีนี้ถามว่ามานเหล่านั้นเนี่ยเพราะกิเลสมานมันพาไปเนี่ยนะ เพรถ้าเราตั้งต้อมว่าศัตรูเอ๋ยพยามาลคือศัตรูเนยก็ได้ดีแล้วล่ะเนี่ยนะเพอเริ่มรู้จักศัตรูของตัวเองบ้างแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนะอุ้ยเอาใจมันมากเลยนะมันต้องโกรธสิมันต้องโกรธสิเออมันเรื่องอย่างนี้มันได้ยังไงมันต้องโกรธสิโอ้โหมันเป็นความสะใจชนิดหนึ่งมันไงนะที่ได้โกรธเนี่ยนะโหเลี้ยงพยามาลตัวบิ่มเนี่ยนะเราก็เออย่างให้มันต้องชอบสิมันต้องโลภสิเนี่ยนะมันต้องเอาโฮสิแล้วก็ส่งเสริมมันด้วยนะออื ปั้นไอ้นั้นเป็นอะไรมาร ก, กิเลสมารเนี่ยนะถูกกิเลสมารมันชุดแล้วเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอะไรเนี่ยอู้เลี้ยงมันจัอ้วนพีเลยนะมารคือโมหะเนี่ยพอมาฟังคําที่น่าสังเวชมากเขาบอกว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนบอกเอออวิชานี่มันน่าติดหรือใครติดอวิชาบ้างนะอ่ะนะธรรมะไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่อันนั้นแหละลักษณะของอนุรักษ์นิยมนะว่ายินดีในความไม่รู้ยินดีใน มโมหะเพราะฉะนั้นโดยที่สุดแม้แต่มโมหะจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีนั้นโมหะนี่ก็เป็นพยามารตัวตันหาที่ชอบโดยที่สุดชอบแม้แต่มโมหะจึงเป็นมารมาน เ, เหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะหมดแล้วเมื่อพระองค์ชนะมารเนี่ยนะพระองค์ต้องมาลากนต้องมาปัาน่นสามล้อปั่นสลังอยู่แถวนี้ไหมไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเนี่ยบรรทุกทานบรรทุกหินก็ไม่ต้องแล้วเหนะ ไม่ต้องมาลำบากลําบนไม่ต้องมาเป็นกรรมกรก่อสร้างไม่ต้องมาเป็นคนงานไม่ต้องมาเป็นคนขับรถไม่ต้องมาอ่าไม่ต้องมากินกะหล่าใจใจกะหล่าอยู่แถวเนี้ยนะกะหล่าใจนะไม่ใช่ใจกะหล่ำอนะไม่ใช่กะหล่าใจเนี่ยไม่ต้องมาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แถวเนี้ยไม่ต้องมาเป็นโคเป็นลาไม่ต้องมาลากใครเนี่ยไม่ต้องมาวิ่งลากใครก็ดูสิพวกลาตัวเนี้ยนะมันถูกมัดเท้าอ่ะเอาดิ เดินธรรมนานะมัดเท้าหน้าเท้าหลังติดกันแล้วให้มันเดินนะมันเนี่ยนะโอ้นี่มันถูกโซ่ล่ามตั้งแต่ขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นน้ำซ้ายมือโยมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์อยู่ในนั่นนะมีพ่อมารเนี่ยมพาไปเกิดอ่ะนะพระพุทธเจ้านี่ชนะมารเหล่านี้โดยประการทั้งปวงแล้วทัานเราทั้งหลายจึงนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะมารเนี่ยนะโอ้พระองค์ชนะมาร เมื่อพระองค์ชนะมาร น, นี่พระองค์จึงชนะทุกเนี่ยนะจึงชนะทุกเนี่ยนะแต่เพราะที่ทุกอยู่ก็เพราะว่าแพ้มารมามันฆ่านะมันก็เลยได้รับทุกอย่างหาประมาณไม่ได้ดูนะว่ามารมันผาปันจั ก, กรยานไปเรื่อยนั่นแหละพระองค์นี้ทรงเป็นผู้ไม่มีทุกพระองค์พรองค์นี้เป็นผู้ไม่มีทุกเนี่ยนแะแต่ไม่มีทุกอย่างไงพระองค์ไม่มีการบริหารขันเลยหรือ ทุกในที่นี้คือโทสะของพระองค์ไม่มีอนนตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่ก่อนเนี่ยพระองค์ไม่มีทุกขคือโทสะเลยผู้ที่ไม่มีโทสะเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะผูท้ที่ทุกข์มากๆคือผู้ที่มีโทสะลองอยู่เนี่ยอากาศก็ดีเย็นก็เย็นสบายก็สบายไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าโทสะมันลองกําเริบดูสิทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยนะมันเป็นความป่วยมันเป็นโรคไปอีก ชนิดหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความลำบากให้แก่เราทั้งหลายเพราะองค์นี้เป็นผู้ไม่มีทุกข์คือโทศั์แต่ในขณะเดียวกันอย่างตอนนี้พระองค์ไม่มีทุกข์คือวัดตทุกข์อีกต่อไปพระองค์ไม่มีกรรมวัดแล้วไม่มีเกเรสวัตแล้วไม่มีวิปากวัตแล้วเพราะฉพระองค์จึงไม่ต้องเห็นพูดถึงไม่ต้องเห็นนี่มันน่าเสียดายไหมเราเราเสียดายไห้ยังมั่วเสียดายไหมถ้าถ้าจะได้เลิกเห็นต่อไปเลิกฟัง เลิกได้ยินเลิกรู้กลิ่นเลิกรู้รสเลิกกินเลิกอยู่เลิกคิดเลิกอะไรเลยเนี่ยนะถ้าทิ้งโครงสร้างอันนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะทิ้งรังตัวทิ้งทวารทิ้งวัฏฏะเหล่านี้ได้เนี่ยจะสุขปานใดนะแต่ว่าคนพานทั้งหลายนี่มองเอ้ยนี่มันเลวร้ายมากนะถ้าทิ้งหมดเนี่ยนะหมูค่คนพานทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นความเลวร้ายมากๆเลยนะเพราะเพราะสิ่งใดที่เขาบริหารอยู่มันทุกเนี่ยเขาถือว่าเป็นความสุข อย่างสังเกตดูนะพวกเคยเห็นพวกเด็กๆมันเก็บพวกขยะพวกอะไรมาเล่นใช่ไหมพ่อแม่บอกว่าทิ้งเธอลูกเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์มันมันไม่ดีเนี่ยนะถามว่าเด็กเด็กชอบไหมโอ้สาวไปเที่ยวเก็บมาเนี่ยนะนี่อินเดียเนี่ยนะไทยเนี่ยมีพิเศษที่อินเดียไม่เหมือนเราเลยอะ่ะคือคนบ้าหอบรองเท้าเห็นไนะมันมีถุงอยู่อันหนึ่งอ่ะนะถ้าขับถรถทางไกลไปผมจะเห็น มันเที่ยวเก็บขยะข้างถนนแล้วก็แบกสะพายถอดรองเท้าเดินเนี่ยนะถนนหน้ายางประเทศไทยอันนี้ก็เป็นมานอีกชนิดหนึ่ง <c oughs> อ่นะุฏากุฏาทั้งพกทั้งพว่วงทั้งรับทั้งรอยอยู่เนี่ยมันยังก็ยังท่า <c oughs> นผู้ที่ปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยเฉพาะอภิสังขารมาน หนึ่งสองสามแค่ยังไงกันเนี่ยอันนั้นหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามปิดวาลุ่มโไม่น่าแล้วมันไม่ดังคือจับไปจับมาเลยวารุ่มมันติดอะนะใช่อันนี้ก็เป็นมาอีกชนิดหนึ่งเหมือนกัน สรุว่าพ่อองค์ไม่มีทุกข์นะนะหมายถึงทุกข์ในวัฏะเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยพองก็ไม่ต้องมานั่งสามล้อแบบนี้อีกต่อไปเนี่ยนะมันถือว่าเป็นผู้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะไม่มีภาชนะเป็นที่รองรับทุกข์นะนะเราทั้งหลายมีปากมีท้องเนี่ยเป็นภาชนะรองรับทุกข์ชั้นดีเลยนะมีตาก็รองรับทุกข์ทวารตามีหูก็รองรับทุกข์ทวารหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยโดยเฉพาะมีใจนี่สิ มีใจเนี่ยมันเป็นที่กลางรองรับทุกสารพัดทุกคนอื่นเขาทุกเรายังเก็บมาทุกด้วยสิองนะคนอื่นเขาเดือดร้อนเรายังเก็บเอามาเดือดร้อนอีกคนอื่นเขาป่วยเราก็ยังดูท่าจะป่วยเหมือนกับเขาเหมือนกันนะเก็บเอามาลำบากเก็บเอามาทุกเก็บเอามาไม่สบายใจแต่ว่าทุกทั้งมวลเหล่านี้พระองค์ไม่มีแล้วพระองค์จึงเป็นผู้ทนทุกขโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีทุกที่เราเห็นเห็นได้ยินเหล่านี้หรอกพระองค์นี่มีจิตเสมอด้วยดีนะ เราก็มาดูคนมีจิตไม่เสมอสิจิตไม่เสมอนี่มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โวยวายเดี๋ยวก็เงียบเขึมเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็อุ้ยพวกมีโรคจิตเนี่ยนะที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจริงๆไม่มีความสม่ำเสมออะไรเลยนะไม่สม่ำเสมอไม่นิ่งไม่ใส่เลย อันนั้นกลับเดี๋ยวก็เครียด <c red> เดี๋ยวตะวี่ตกเดี๋ยวก็วกังวลเดี๋ยวก็ลําบากใจเดี๋ยวก็ไม่สบายใจ <c red> เดี๋ยวก็หงุดหิด <c red> เดี๋ยวก็ราคาญ <c red> ด้วยวก็ฟุ้งซ่านหรือว่าเต้เรื่อยแล้วอันนั้นค <c red> นผู้ที่มีจิตเสมอด้วยดีเนี่ยหมายคือว่าที่ใดก็เหมือนกันมีจิตเสมอหมายคือว่าเสมอทั้งอิทธาเรลมและอ น, นิธารมสิ่งที่น่าปรารถนากับไม่น่าปรารถนาเนี่ยท่านวางจิตได้เสมอกันท่านวางจิตไว้เสมอกันในระหว่างสุขและ โลกกระทำฝ่ายดีกับโลกกระทำฝ่ายร้ายพระองค์ก็วางจิตได้เสมอกันได้ลาบกับเสื่อมลาบพระองค์ก็วางจิตได้เสมอกันได้ยศกับเสือ่อมยศพระองค์ก็วางจิตได้เสมอกันได้รับคําด่ากับคําชมก็วางจิตได้เสมอกันเนี่ยนะท่า น, นจิตพระองค์เนี่ยไม่ใช่จิตสายลูกโตงลูกโตงนี่เป็นยังไงถ้ามีใครเอาหนามมาบงมาหน่อยหนึ่งนะโป่บลงเลยนะถ้าใครมาเต่าลมนะี่มันพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นเนี่ยนะ ถ้าได้รับคํายกยอปอป้านมากก็พองเงา พ, อ ง, อ, าพองเอาเดี๋ยวก็ถูกจกับจุดอ่อนเข้ามาหน่อยนะแตกเพล้ออีกเลยเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็แตกเนี่ยนะเจ้าของจิตนี่น่าสงสารตาใดนะถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นจิตของพระองค์เสมอด้วยดีเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้ไม่เสมอเนี่ยพระองค์ได้ทําลายหมดแล้วราคะก็ทําให้ไม่เสมอโทสะก็ทําให้ไม่เสมอ โมหะก็ทําให้ไม่เสมอเมื่อพระองค์ ก, กาจัดราคะโทสะโมหะได้ความไม่เสมอทางจิตของพระองค์จึงไม่มีมีแต่ความสม่ําเสมอพระองค์เนี่ยโดยเฉพาะแม้กระทั่งพระองวางจิตได้เสมอกั น, นระหว่างใครองค์ุลิมานพระเทวทัตพระราหุนโดยที่สุดแม้แต่ตัวพระองค์เองเนี่ยพระองค์วางใจได้เสมอเท่ากันหมดได้เออพระองค์นี่เป็นผู้มีจิตเสมออย่างแท้จริง ไม่ว่าพองจะเจริญเมตตาเนี่ยนะพองคิดให้สัตว์อื่นมีความสุขเสมอกันหมดถ้าพระองมีกรุณาต่อสัตว์อื่นพองก็มีกรุณาเสมอกันหมดพองมุทิตาต่อสัตว์อื่นพองก็มุทิตาได้เสมอกันหมดพระองคเจริญอุเบกขาเป็นต้นเนี่ยเจริญอนุปัสสนาก็เจริญได้อย่างสม่ำเสมอเพราะพระองคเป็นผู้มีจิตสม่ำเสมอไม่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ลุ่มเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็ลุ่มอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะซึ่ง ถ้าหากว่าเราเห็นคนที่จิตแปรปรวนภายในทุกๆหลายๆนาทีละครั้งสองครั้งเนี่ยนะแปรบ่อยๆนี่ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพราะองค์มีจิตมั่นคงสม่ำเสมอไม่เป็นแบบนี้หรอกเห็นไหมเขาอกถ้าเห็นใครในความไม่ดีเป็นต้นเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นี้เจ้านะพยายามให้เห็นเห็นชัดระหว่างคนดีกับคนเลวแยกพานแยกบัณฑิตออกนะแยกคนพานแยกบัณฑิตออก ผ, ผู้ที่แยกพ่านแยกบัณฑิตออกเนี่ยนะว่าเป็นผู้ที่มี วิจารณญาณที่ดีถือว่าเป็นมงคลนะถ้าแยกผ่านแยกบัณฑิตออกเพราะถ้าสัมมาทิฏฐิแยก่านแยกบัณฑิตหวังว่าเขาก็เลิกคบพานแล้วก็ซ่องเสพ บ, บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะมีจิตเป็นไปกับบัณฑิตทั้งหลายนะนนก็อาโปธาตก็เกือบตำเรือีกแล้วศพทองมีมารยาทอันเจริญมารยาทนี้แบ่งออกเป็นสมทวารนะมารยาททางกายมารยาททางวาจา มันญาติทางใจพันกายกายญาทุจริตวจีทุจริตมโนสุจรจิตขอป่ายกายญาทุจริตวจีทุจริตมโนทูจริตพระองค์ละหมดแล้วเนี่ยเนี่นี่ก็ได้เวลาแล้วด่านด่านเนี <c oughs> น่ยนี่ถนนมันไม่เสมอเนี่ยมันมีด่านอย่างงี้หลยสรุปนะพระองค์นี่มีมันญาติอันเจริญคือมันญาติทางกายพระองค์ก็เจริญเสร็จแล้วมันญาติทางวาจาพระองค์ก็เจริญเสร็จแล้วมันญาติทางใจาพระองค์ก็เจริญ เสร็จแล้วเนี่ยนะครั้นพระองเนี่ยเป็นผู้ที่มีมรรยาตกายวาจาใจอันเจริญแล้วหมายความว่าทําให้เป็นบุญเป็นกุศลเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนัความบกพร่องทางกายของพระองค์ไม่มีความบกพร่องทางวาจาของพระองค์ก็ไม่มีความบกพร่องทางใจของพระองค์ก็ไม่มีเนี่ยนะเพราะพระองค์เจริญได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์อย่างทานนี่พระองค์บําเพญมาเท่าไหร่เอ่อมรรยาตคือทานนะมรรยาตในการบริจาคนี่พระค์ สัง่ <ç> <Beijing> งสมมานานเท่าไรเสียสงไขมันย่าเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยบ่มมาเท่าไรเสียสงไขแสนกับมันญ่าคือเนคขมมะเนียอะโลภาเนี่ยเนคขมมะทั้งหลายเนี่ยมันญ่าตัวนี้อบรมมานานเท่าไรเสียสงไขแสนกับอีกแล้วมันญ่าคือปัญญาเนี่ยนะบ่มมาเสียสงไขมันญ่าคือขันวิริยะเนี่ยก็เสียสงไขแสนกับมันยาาคือขันติก็เสียสงไขมันย่าคือ สัตจะมัน ญ, ญาตคือเมตตาอธิฐานมัน ญ, ญาตคือเมตตามัน ญ, ญาตคืออุเบกขามัน ญ, ญาตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพระองค์บำเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับมันจึงเป็นผู้ที่มีมัน ญ, ญาตอันเจริญมาเป็นอย่างดีมาบำเพ็ญมาเป็นอย่างดีมาเนื่นนานจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าผู้คงที่เนี่ยนะเพราะเป็นผู้คงที่สม่ําเสมอเพราะมีมัน ญ, ญาตอันเจริญได้ เ, เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราสังเกตดูพวกไม่มีมัน ญ, ญาตทางกายเป็นยังไง ผู้ไม่มีมารยาททางวาจานี่เป็นยังไงผู้ไม่มีมารยาททางความคิดนี่เป็นยังไงพระพุทธเจ้ามีมารยาทหมดเลยอะนะตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีมารยาททั้งหลายเนี่ย น, นะไม่มีมารยาหรือมารยาทนี่นแหละพระองค์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว <S <S แลว้วพระองค์ก็มีปัญญาดีอนะเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีอ่าปัญญาก็คือญาณทั้งหลายญาณที่พระองค์มีเช่นเวสารัชญาณสี่ใช่ไหมเวสารัชญาณสี่ อาสาธารณญา6กทศพลญาลิศอย่างเงี้ยนะนี้พูดหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยอย่างเวสอาโดยเฉพาะอาสาธารณญาณ6เนี่ยอันนี้เป็นความดีของผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีปัญญาเนี่ยมีปัญญาดีคือมีอาสาธารณญาล6โดยเฉพาะที่พิเศษมากคือสัพพัญยุตยานเนี่ยนะคือสัพพัญยุตยานเพราะมีปัญญาคือสัพพัญยุตยานเนี่ยจึงรู้จัก นี่มหากรุณาสมาบัติยานี่ อ, า, อาสยานุสยานยานี้อินทรียโปรปรยิยตายานี่ยมกะบบาคิหาริยยานี้อนาวรณายานทพราั้นสัพพัญยุตยานี้จึงชื่อว่าเป็นปัญญาชั้นดีของพระพุทธเจ้าก็มีเมื่อคืนเนี่ยมีโยมที่มีศรัทธาเนี่ยนะถวายทองคําเป็นพุทธบูช า, าพระบรมสารีริกธาตุอุทิศแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ทันติกก็มาบอกว่าให้กล่าวคําพาถวายพระสัพพัญญุตยานอย่านั้นะเอาทองคําเหล่านี้เป็นเครื่องบูชาพระสัพพัญญุตยานนั้นก็แสดงว่าเห็นโทษของความไม่มีปัญญาเห็นคุณานิสง์ของการมีปัญญามันบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีคือมีสัพพัญญุตยานชั้นดีเนี่ยนะสัพพัญญุตยานอย่างดีที่ไม่ข้องขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันในธรรมทั้งมวลเนี่ยที่พระองค์ไม่รู้ ไม่มีพระองเนี่ยรู้ธรรมะทั้งปวงโดยประการทั้งปวงเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะประเทศอินเดียเนี่ยเขาเนี่ยอยากจอด ร, รถตรงไหนเขาก็จอดเห็นไหมอย่างเช่นเนี่ยคันข้างหน้าเขาก็จอดลงของก่อนไปเรื่อยๆขายข้าวขายของไปเห็นไหมเขาก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเลยนะบางทีนะเขาเจอเพื่อนกันแล้วก็จอดรถคุยกันข้างถนนเลยอะนะอีกครังก็จอดคนละฟากแล้วก็คุยกันไปสักหมดธุระแล้วคนข้างหลังก็รอไป ใชนะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ก็บอกว่าการุณากดแตร์องว่างั้นถ้ามีอะไรก็กรุณากดแตรและแข่งนี่เป็นประเทศที่ใช้ปากเก่งเขาบอกคนไทยนะพูดคําหนึ่งแขกพูดได้เป็นสิบคาแต่ถ้าทํางานนะไทยทำหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับแขกทําเป็นสิบคนก็บงั้นแล้วก็คนละถาลกันแขกนี่เก่งทางวิจีกรรมแข่งนะั้นทะเลาะ ก, กันเถืนแขกตีกันไหมไม่มีเนี่ยกลางคืนนะถ้าขับรถกลางคืนนะถ้าประเทศไทยนะ เพรามากลับกุฏิเนี่ยนะนั่งรถผ่านกลับกุฏิมันยกเต่า้มาตีกันประจําอ่ะยกเก้าอ้มาตีกันประจะํกเก า, าจเลยแต่ว่าแขกไม่ไม่มีเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยนะใช้แต่เสียงอย่างเดียวนะนะไม่เขาเนี่ยเก่งทางวาจีทวารท่านี่เก่งทางกายทวารเก่งเงินคนละทวารคนละทวารแต่เชื่อนะักสืบดีว่าไม่จูตีแถวนั้น นี่แหละ ว, วัดตามันเป็นอย่างนี้นะแต่ขนาดนี้แย่างกันอยู่นะเชื่อไหมไม่มีใครแย่างเงินออกเลยเเนะไม่มีใครแย่งกันออกเลยนะผู้ที่ต้องการออกจากวัดตานี่ไปเที่ยถามเออคุณรู้สึกเบื่อนายในวัดตามั้ยนะ จ, นจันเกศสุดาคเคยได้ยินเนี่ยในมอชอบุคลากรเป็นหมื่นเป็นหมืนม่นเ น, น, นี่ยนะได้ยินคนที่อยากออกจากวัดต า, ยาเยอะไหมอ๋อพูดอพูดว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วแต่ว่าเห็นก็เห็นเห็นเอาจริงเอาจังอยู่ตามเดิม แต่บอกว่าเบื่อแล้วเนี่ยนะก็เบื่อด้วยอำนาจโทสะอาครุณากดแตรโอ้โหดูที่กองทัพวัวนี่มาแล้วข้างหน้าน้วนะนั่นอหะถูกอะไรมาพามาขันธมารกิเลสมารมัจจุมาเนี่ยนะวัวนี่ก็ลากคนนั่งลากข้าวของก็ลากไปสู่ความตายกันทั้งหมดเนี่ยนะ โอ้ยติดทั้งจักรายานติดทั้งรถกิดทั้งเกวียนเ น, นี่ยนะนี้ทุกทนี้ทุกขสมภูรไทยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคาขมินีปฏิปทาเนี่ยนะอ๋อก็ช <N> ่วงนี้เรากําลังผ่านตลาดเนี่ยนะเราคิดว่าเรามามาดูเขาช้อปปิ้งกันแล้วกันนะเราไม่ได้ช้อปปิ้งเองนะก็ดูเขาจ่ายตลาดดูเขาช้อปปิ้งกันดูเขาจ่ายเข้าใจของกันเนี่ยดูขับเกวียนจ่ายตลาดกันแล้วกัน นี่นะทำเป็นเหมือนแหม่มันปฏิกูลอย่างนั้นอย่างงี้ดื่มื้ออาหารเนี่ยจะรู้สึกที่ไหนได้ก็เอาอาหารไปจากตรงนี้เลยไปปรุงให้เรากินแล้วก็บอกอู้เอะอร่อ ย, ออยกินเนี่ยนะจะคิดว่าปฏิกูลเป็นจริงเป็นจั ง, น, จงนะเราก็ก็อย่างนั้นอย่างน้นเราก็เบื่อเป็นพั ก, พกๆเลยเก็บอกอดูที่น้ําสกปรกอย่างนั้นอย่างงี้น้ำที่เราดื่มนั่นเขากรองไปจากไหนน้ำเหล่านี้นี่หละอันที่จริงนะครับสภาพนี้เนี่ยนะ เป็นสภาพที่ของเมืองไทยเมื่อถอยหลังไปสักสักสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะแปดสิบเก้าสิบปีในลักษณะนี้เพราะว่าที่กล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าได้เห็นตามรูปน ะ, ะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เขาพวกวิชนาลีเขาถ่ายถ่ายไว้นี่นะฮะหรือว่าถ่ายถายนนสายหรือว่าสายดีสายท่าแพเนี่ยเรายังเห็นเลยข้ขางๆเป็นเป็นร้าน ร้านโคลโกโสอยู่แล้วก็มีเกวียนมีกองเกวียนมีวัวมีเด็กที่ถอดเสื้อนะฮะแล้วก็มีผู้หญิงชาบ้านหาบของมาจากจากนอกเมืองเข้ามาขายในเมืองอ่ะแล้วก็ก็ใช้ผ้าคาดอกนิดเดียวอ่ะแล้วก็มีนมห้อยออกมาเห็นเลยนะฮนะอันเนี่ยถ้าใครไปตามร้านอาหารในเชียงใหม่จะเห็นนะฮะ คือสภาพอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วก็ดูที่ที่ปากก็ยังมีเคี้ยวหมากอยู่นะเพราะฉะนั้นอยันนึกว่าจริงเหล่านี้เราห่างเรานักนะไม่ห่างเลยนะแล้วก็พูดถึงว่าส้วมนะฮะสมัยก่อนเราก็ไปทุ่งกันนะสมัยก่อนเราไปทุ่งเหมือนกันนะเอนะไปไหนไปทุ่งมาเอ่อนะมามีส้วมเป็นเรื่องเป็นราวก็สมัยรัชกาลที่หา้า ที่สี่ที่ห้านี่เองจะพ่อในเมืองแต่ส่วนนอกเมืองก็ยังไปไปทุ่งนะชาวหนึ่งก็าเลยไปไปโตู้มาไปตุงเนีนี่ก็นี่ก็แสดงว่าในวัตตาสงสารที่ยาวนานมากเนี่ยไอ้จริงเหล่านี้นี่ดูจะเป็นของธรรมดาธรรมดาไปนะดูเป็นของพป็ของเป็ของปกตินะแต่ว่าที่เราเห็นว่าเรียบร้อยในเมืองที่เขาจเจริญแล้วเลยแล้วเนี่ยอายุไม่เท่าไหรเลยนะ เช่นในกรุงเทพก็ดีหรือว่าพวกฝรั่งก็ดีเหมือนจะเราลองถอยหลังไปหลายหลร้อยปีนะก็ลักษณะเนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยานะก็ไม่มีแะก่อนเนี่ยไปดูหนังกลางแปล ง, งนะจีเงนะนะเจบอกว่าโอ้โหต้องเอาเสือไปด้วยนะ เอาเสือไปด้วยแล้วก็มีน้องๆตามไปอ่ะน้องๆตามไปด้วยนะขาไปอ่ะขาไปมันก็ตามไปดีโอ้ไปดูหนังกลางแปลงนะเจ๊ก็เอาเสือหอบเสือไปปูนอนเลยนะแล้วก็ก็คนที่ตามไปก็งคงจะมีอาจารย์สันติคนนึ่งละนะอะตามไปนั่นนะแหละ เจ๊ก็ตองวันก็ทํางานหนักแล้วกลางคืนก็ยังจะต้องพาเด็กไปดูหนังอนะไปนอนกลางแปลงนะถามว่ามียุงไหมอ๋อแน่นอนต้องมีนะดูเสร็จนะดูดูหนังเสร็จก็ตอนกลับนี่แล้วโอ้โหเดือดร้อนเลยปลุกปลูกไอ้คนนี้ขึ้นมาไอ้คนนั้นหลับพอปลูกไอ้คนนี้ขึ้นมาไอ้คนนั้นขึ้นมาแล้วนอนหลับลงไปอีกนะต้องลงไม้ลงมือกันอนะ่ะโอ้โห เพาะนั้นเนี่ยสภาพนั้นเนี่ยสภาพนั้นเนี่ยมันเป็นจริงๆริงนะเพราะผมเองก็ไปดูหนังดูแบบหนังหนังกลางแปลงไปดูหนังตามวัดมาแล้วอ่ะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะตอนไปก็ไม่มีไฟฉายแล้วครับนั่นเขาใช้ทางมะพร้าวครับจุดแล้วก็เดินอ่ะทางมะพร้าวยาวๆจุดส่องแล้วก็เดินไปตามสวนเนี่ยแล้วไม่มีไฟฉายหรอก ตอนที่จะไปก็เหมือนไก่จะบินตอนตอนจะกลับเหมือนเหมือนหาจะกินน่ะนะโอ้โหมันไก่ชมัดเลยนะไอตอนกลับมันโอ้โหตอนไปเหมือนไก่จะบินห้ยดีอกดีใจนะเจ๊ก็ดีใจด้วยจะไปดูนะตอนกลับนี่เหมือนหากินเลยโอ้โหมันเกาะแตกเกาะแตกกจะถึงบ้านเนี่ยนะก่อจะถึงบ้านได้มันโอ้โหมันมันทำไมมันเหนื่อยมันไกลมากเนี่ยนะเพราะนั้นที่จะย้อนตัย่างมาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันจเจริญแล้วเจรแล้วมันจะยั่งอยู่ต่อไปนานนะโลกอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นั่นแหละนะแล้วก็เํานับถอยหลังไปตั้งแต่ราชการที่ห้าที่สี่ถอยไปถึงนู่นนะพระเจ้าลาคําแหงนู่นน่ะถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นมานานแล้วเนี่ยนะมันเป็นมานานแล้วประจําโลกทีเดียวนะไปทุ่งไปอะไรเนี่ยนะ